รถแห่งธรรมชั้นนะซึ่งรถทั้งปวงน ะ, ะคำว่ารถทั้งปวงมันก็หมดหมาว่ารถอะไรทั้งนั้นรถแห่งธรรมนี่เป็นยอดยิ่งว่าชนะรถทั้งปวง จัดไว้ขึ้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีชาติเต็มพระไทยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกชาติมีความหนักเบามากน้อยเพียงใดทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจักพระไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารถชาตนั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารถที่ได้ทรงประจักรในพระทไทยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรผิดไปแม่นิดหนึ่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับกีกันพระองค์ก็ทรงทราบหมดได้ทรงดิ้นรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ได้ทรงริ้นด้วยพระไถยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะจึงรถทั้งปวง คำว่ารถ่างธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้ไดบริจาคทานได้รับความเ อ, อื้อรู้สึกว่าใจมันทองขึ้นอาจา ร, รย์เองเคยเป็นถ้าได้ทําบุญให้ทานอย่างถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่า จ, จิตใจนี้มันทองขึ้นมันเบาไปหมด สิ่งที่เราทำไปนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปเพื่อผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกุ่งพองขึ้นมานี่ก็เป็นรถอันหนึง่งความรถแห่งความต้านหนีมันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะรถความต้านหนีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองแล้วไม่ว่าอันใด เมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมจิ์ทาไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอำ น, นาจแห่งธรรมคือที่เคยสั่งสมจารคเจตนานี้มาจนสังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความตจาหนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั่นได้ เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนมุ่งมุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำความดีต่างๆเท่านั้นการารักษาศีลก็มีความเย็นจิตเย็นใจเพราะศีลนั้นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำเนิกความกระตุกกระเทือนซึ่งกันและกัน กระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจพร้องกันกันเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นได้รับความคำเลื่อมจากเราเราเองก็ภูมิใจว่าได้ทําประโยชน์แก่ตนเองในรักษาตนเองโดยจํานวดกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลห้องต่บที่รถแห่งสมาธิ จิตที่เคยปุ้งเฟ้อเหอเหิมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเป็นจิตทิศเต็มไปได้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแส่ความวุ่นวายต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นรถอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความเอื้อิอีงมีความปีติอินดีในความสงบถุกแล้วมีแก่ใจที่จะพึงบําเพ็ญติดใจตั้งตนให้มีความสงบแน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อรดแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลําดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลําดับเพียงลดสมาธิก็ทําให้เราเพลิน เพลินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งกวนนี่เป็นรถอันหนึ่งเีรถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่กิเลสแต่ละประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเสี้ยนถอด น, น้ำออกจากตัวของเรา ก็เป็นรถอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลําดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยากก็สามารถถอดถอนจิเรศขั้นยากออกได้ซึ่งเป็นเชี่ยนหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเฉียดแทงอยู่ภาจิตใจแล้วปัญญาคันละเอียดก็สามารถถอดถอนจิเรศส่วนละเอียดอันเป็นเชี่ยนหนามส่วนละเอียดเฉียดแทงจิตใจนั่นออกได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งปัญญาสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นภัย วิเศษนามนี่คือกิเลส ต, ต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรถแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไว้รถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวงนี่เป็นความสูงยอดแห่งรถในโลกนี้ไม่มีรถใดที่จะชนะรถแห่งธรรมได้ผู้ได ริ่มรถแห่งธรรมนี้ <c oughs> ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจพระพุติเจ้าท่านทรงสอนว่ารถแห่งธรรมจะนะับเป็นรถทั้งปวงก็งหมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายและรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัตินั้นให้มีความจืดจาง ห่างเหินห่างเหินจากความถุกอันเป็นบรมสุขตลอดไปแม้จะเป็นรถแห่งธรรมในขั้นช่องเตีียวยในวันตฏะก็เป็นรถที่จะยังผู้นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกทวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายโดยแท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรถธาตุอันหนึ่งระดับใจของเรา ทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตอนเองจึงต้องมีความมั่นใจไฟเข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่สิ่งธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสู่ สถานที่ดีคติที่งานี่คือผู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอากุศลนั่นเป็นไผ่มีมากมีน้อยก็คอยรังแกรังควานคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอปราบทั้งหลายมีพระพุศลเจ้าเป็นต้นจึงตรงติเตียน แ, แนะนำสั่งสอน รู้โทษของมันหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลาดับลาดับอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเจอปนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับทำแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก คุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตจึงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิตการรักษาธรรมก็คือการรักษาจิต การแก้สิ่งต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างสิ่งโสโปรกโสมมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือหรือรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติจะได้ดำเนินตาม นี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลำดับลาดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติ ต, ตามพระาว่าดคำต่อสสอนข้ขงอโครงเจ้าเลยแต่พาะพระองค์เองมีความสมบูรณ์ูผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรมณมสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่อง ในพระไทยที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้นยึงไม่จำเป็นที่จะต้อ ง, องมาแยกแบ่งสรรปันส่วนออกจากพุทธบริ ษ, ษัททั้งหลายศา ส, สนาจึงเป็นของกลางวางไว้โดยพระเมตตาล้นล้วนไม่มีอันใดเจือปนโลกามิรใดๆผลจะพึงได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มี ะทานไม่ให้สันโลกด้วยความบริสุทธิ์ค้าไทยและพราเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวขาตาธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ผู้ประพฤติธปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเรื่องกิดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลาดับจนกทัง่งถึงยมุปพัน เราจรึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นอยู่ที่ไม่พึงปรารถนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นนาำนักนำนักสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดชำระล้างสีสิ่งที่สกตรกให้กลายเป็นของสะอาดไปตามตามกัน จิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใ จ, นใ จ, นใจบังคับบัญชาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นผลจะพึงได้รับเป็นที่พึงพอใจ เช่นเดียวกับเราทํางานไม่ใช่จะมีความขยันหมั่นเพียรกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้ขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบงังคับว่าต้องทําเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นนั้นแล้วก็ทําตามเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจนี่การปฏิบัติศาสนธรรมพอเป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความท้อแท้อ่อนแอตาหนิดีเยียนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ําทําลายตนลงอีกมากมายก็มี เพราะความรู้เท่าไม่ถึง่างแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลอยู่แล้วก็นําเหตุผลนั้นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจากตัวเองแล้วดําเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผ ล, ลที่พึงได้รับ ก, ก็เป็นที่พอใจธรรมดาจิตใจเราที่มีกิเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษ ต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมานถูกเขี่ยนถูกตีถูกเนี่ยการทําสอนลุดาว่ากล่าวหนักเบาเป็นธรรมดาถ้าจะปล่อยให้เป็นตามลำทางของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนจาก็ผินเข้าหลวงเสียเข้าหลวงไปเปล่าๆผลดีพึงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทาการงาน เพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปนี่กิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันครอบคราบงามจิตมันทําให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทําสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความโกกโกรกโสมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลาบากกิเลสมันเป็นของโกรกโปรกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดําเนินตามในทางไปในทางนั้น แต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราพูนับถือหลักธรรมหลักศาสนาก็ต้องฝืนกิเลสการฝืนกิเลสจึ ง, รรงจเป็นเหมือนกับการทรมานกันการทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามรบเราก็ต้องมีความลำบากลําบนเป็นธรรมดาในการฝ่าฝืนหรือลบกับกิเลสทรมานกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจเราธรรมก็อยู่กับใจเราการแก้กิเลสก็แก้ที่หัวใจเรา การประพฤติธรมก็พฤติที่หัวใจเราหัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับยิเดชสู้กันจมต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับทา่ากับขันต้องเก็กบต้องปวดนั่นปวดนี้จิตใจยอยากให้คิดไปตามอำเภอใจก็คิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่และอยา่างละอยา่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็น อุปรสรรคึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่เป็นสิ่งที่ภาภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทำได้เหมือนอย่างเรานี้ก็มีแยะแต่เรายังมาฝึกมาฝนทรมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบำเพ็ญอยู่เวลานี้โลกที่เขานับถือที่เขานิย ม, มกันมาเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้ เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่เช่นนี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามความยงของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนีเป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสําหรับผู้บาบอมเพ็นตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันดังที่เราทั้งหลายมาผูกพันทรมานอดนอนผ่อนอาหาร ทรมานกายทรมานจิตใจของตนเพื่ออเพื่อทำนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่วาระแต่ละวาระหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง้เป็นไปด้วยอักด้วยธรรมจึงเป็นวาระของจิตที่คิดออก ด, ด้วยความเป็นของมีคุณค่าการทำคุณงามความดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับอบนุนบสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทา ฝืนฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ฝนด้วยซ้ําอือเราไม่เคยเห็นมิเหลือจูงหมาใส่ฝนหมามันจะตากฝนเมื่อไหร่จูงใส่ฝ น, นทั้งรอ้อทั้งรอ้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของสุนัขที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ฝืนแต่ทํามันก็เป็นเช่นนั้น่าทํานั่นเป็นเหมือนกับฝนน่ะเหมือนกับเป็นเครื่องทรมานตัวเอง เปียกแฉะหนาวสั่นไปหมดเลยไม่อยากทำแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภาณาจิตใจแล้วมีความกระยิ่มในการพืชปฏิบัติอา้ายากก็ทนลำบากก็พอใจขอให้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีน้าความชอบใจตามความต้องการของตนกว่าแล้วกันเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแล้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหจูจมูกลิ้นกาใจดีช่วยเราได้เห็นประจักษ์ ตาประจักษใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปราชญ์ผู้เลิ่อโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเราและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อเปอร์เซไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกหกเหมือนอย่างโล ก, โลกทั่วไปเราขอน้อมกายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคําว่าพุทธังธรรมังสนังขฉามินี้ประการหนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประการหนึ่งยิย่องชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่ ง, งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชื่อว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสดาเป็นผู้ครองจิตใจของเรา แทนที่อยากกิเลสจะครองจิตใจไปโดยลำดับกลับเป็นเรื่องท ร, รมาครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพูดปฏิบัติของเราดังที่ดาเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปขึ้นหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบโลกทั้งหลายอยู่มากมายคำว่าความสงบคองใจความสุขคองใจ ที่เกิดขึ้นจากการพูดปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้ก็เห็นไม่เคยสนใจนั้นมีจํานวนมากทีเดียวถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นจะถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เรานับเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกกับมนุษย์ผู้พูดปฏิบัติทำเก้าสิเก้าเปอร์เซ็นคงจะเป็นเรื่องทั่วโลกส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นตก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาในปฏิบัติตนจนปรากฏผลเป็นที่เยือกเย็นภายในจิตใจมี่นีนี่มีจำนวนน้อยมาก แล้วเราก็นับนับเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซ็นตนี้จึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอํานาจวาสนาพอสมควรแล้วึควรภาคปูมิจิตใจของตนับประพึงประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปตายเมื่อไหร่ก็ตายเถอะป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกผลอยู่ในสกุลนการนี่แหละถ้าอยู่ที่ไหนตายอยู่นี่สกุลกายแตกที่โซนนการไม่ได้หมายป่าชา้า แ, แต่หมายถึงโซนนกาด้วยด้วยกันทั้งนั้น เราจึงไม่ควรมิตกวิจารณ์ทั้งแท้น ท, ท, ที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนไหนทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องปราชาอันนี้ประจากใจการรู้แจ้งประชาป่าช้าคือความตายว่ามันอยู่ในสกุลกายนี้โดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตายให้เห็นประจกักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี่เป็นผู้มีความเยือกเย็น ไม่สงสัยไม่ค า, าดนุ่นคาดนี้อันเป็นการก่อควรจิตใจตนให้ยุ่งเปล่าๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดทวง จ, จิตใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลๆๆๆําดับําดูที่ไหนก็สุขะโต นั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาดิบคั้นได้ยังไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนสมกับความรับผิดชอบผิดชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นปที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้า เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าขอให้ท่านยินขอให้อุตส่าห์พยายามด้วยกันจนกระทั่งชีวิตถามให้แล้วเป็นความจําเป็นด้วยกันจึงข อ, อยุติการแสดงเพียงเท่านี้จะบอกว่าระหว่ที่ปฏิบัตินี้เธออ่าอ่อ มองเห็นตัวของเธอเป็นสัตว์ต่างๆแต่ละข้างแต่ละข้างในรูปของสัตว์เึ่นที่กล่าวมาก็มีที่กล่าวมามีสุนัขแล้วก็มีกบแล้วข้างหลังที่สุดนี่ก็เห็นเป็นช้างนะนะบอกว่าข้างหลังนี่พอตัวสื่เป็นช้างก็กลมลงกลา่าวท่านจ้นะฮะกลมกล่าวเอาก็มลงไปกล่าวท่านจะในรูปเป็นช้างจะกราบช้างเหรอ ต่อท่านเป็นตัวคุณเจนนี่เป็นช้างค่ะแล้วก็กราบท่านเลยค่ะครับอาจารย์หนี่งแล้วบอกว่าฝันอ่าบอกว่ามองเห็นแต่ตนเป็นสัตว์แต่ละทนิษฐ์นี่ก็เป็นสัตว์ที่ดีเลคะเพรว่าแตงแม่อ่าไม่ไม่เป็นเด็กเกเรไทยเลยค่ะเป็นสัตว์ที่เรียบร้อยแตงแม่เป็นกบตุกเป็นกบที่เรียบร้อยนี่ภาวนาเห็นอย่างนั้นเหรือเขาบอกว่ามันมันเหมือนอย่างกั มือนย่งก็อยู่ในอยู่อยู่ในใจแต่ก็เห็นว่าเป็นมันเป็นฟอร์มเป็นเป็นรูปร่างแต่เรียนงก็ถามกันเหมืกันว่าเห็นออกมาเลยหรือบอกว่าเห็นในเข้าใจว่าใช่ชันใช่คำว่ามโนภาพมันเป็นมโนภาพมันเป็นคําถามหเลยนี่ เป็นเล่าระไฟังหรือเป็นคำถามเธอเธอเธออยากจะทราบมันมีความหมายไปอย่างไรืล้วการปฏิบัตินั่นเป็นการปฏิบัติได้ผลอย่างไรแล้วเวลาตอบแล้วคุณเจนจะทราบได้ไงเล่นจะตอบให้เธทราบใช่ไหมเธอบอกเธออยากจะถามไม่กล้าทั้นั้เลยอาสามอกจะถามให้เอาไหมเด้งยังไม่กล้าถามเราก็ไม่กล้าตอบเราขี้เกียจ ตทวจถามกลัวเดี ổ, thế, thế ๋ยวถ้าจะดุเอกลัวจะดุนะเี่ยอะไรจานนี่ก็เหมือนเสือตัวนึงนะเธอไม่ท้าบว่ามันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมด้วยกันเนาะหนูจะกับจานจะไม่เหมาะอะไรลูกก็ดุเวลาจะดุมันหมอไม่หมอนยังดุได้ใช่ไหมเวลาเวลาขี้เกียจก็เหมาะไม่ตอบขี้เกียจเนี่ยไปนั่งเห็นตื่ว่าเหมะ สัตว์ช น, นิดไหนก็ตามเรามาเป็น ม, นมโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วนี่ยเตไปหมดเอามาเทียบกับพี่นาเอาเนี่ยข้อเรื่องของนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหนก็คือสัตว์อันเดียวเปนเรื่องขอความรู้มันกว้างแคบต่างกันลึกตื้นหยาบเอยียดต่างกันเนทะ่านั้นเรื่องวัตจักร คือความหมุนเย็ยนเขาขมุนไปแบบของเขาเราก็หมุนมาแบบของเรานะ่แล้วพี่นา ย, ยางั้นพี่ถ้าพี่นายเป็นธรรมเวลานี้เราหมุนมาแบบของเราเข้ามหมุนแ่วยของเขาแต่ก็อยู่ในวงของวัตตะเป็นผู้เดินในวัตตะด้วยกนะันนะไม่จำเป็นจะต้องอาศัยภาพนั้นมาถามเป็นปัญหาเอาภาพจากความคิดธรรมดาหรือเอาภาพที่เรามองเห็นในที่ทั่ท ว, ทวไปธรรมดาเอามาพิจารณามันก็ได้ ความอยากเดียวกันนี่เข้าใจหรือหนเข้าใจหรือยั ง, น, ออยงนั่นดิม่คิดไม่อยากจะตอบคุณอะเคยอธิบายให้ฟังหลาย ค, ครั้งหนึ่งรุ่ไม่ค่อยจะยได้ความครั้งที่สองครั้งที่สามมัจะได้